นักขตยักขภูตาังปาปักขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตาังปาปักขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปทเวนักตยักขภูตานังปาปะคาหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเว